มันมีเรื่องของการทำสมาธินะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ น, ะนักปฏิบัติมักจะใช้คำว่าทำสมาธิค่ะทีนี้ออลองคนไหนที่ที่ทำสมาธิเนี่ยหลวงพ่ออยากจะอยากจะฟังเหมือนกันนะนะว่าวิธีทำสมาธิของโยมเนี่ยเออมันเป็นยังไงแล้วก็หลวงพ่อก็จะถามในสิ่งที่หลวงพ่อแบบสงสัยนะเออ เพื่อที่จะได้ต่อยอดได้ในในการกระทําที่โยมทําอ่ะเพราะว่าที่ <Okay. S 2> ทําผ่านมาเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าทำมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ทําไมอ่ะมันยังมีแบบขี้งุดหงิ ด, งดขี้โมโหขี้โกรธอะไรเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นสมาธิที่ยังไม่ถูกอะเนาะ <Okay. S 2> แต่เจ้าตัวรู้ไม่ได้หรอกว่ามันมั น, ม, นมันไม่ถูกตรงไหนมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ใครเนี่ยคือแบบขึ้นมาคุยนะอืมค่ะ เพราะว่าจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเพราะวา่าจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าตามทางเดินเนี่ยค่ะสายการการการมาร่วมกันเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเ อ, อบางทีอาจจะพบก่อนอย่างเงี้ย น, นะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ชี้แนะหรือว่าแนะนําสกิทให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้เร็วขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างว่งก่อนนี่หลวงพ่อก็ที่วันนั้นเคยพูดถึงเรื่องการเพ่งเนาะ การเพ่งกับการจ้องหลวงพ่อก็พูดถึงว่าเพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้การจ้องก็ไม่ใช่รู้การดูเอาตัวเราไปดูก็ไม่ใช่รู้แต่นักปฏิบัติเนี่ยเห็นมาก็ยังปฏิบัติ ด, ด้วยการเพ่งด้วยการจ้องแล้วก็ด้วยการดูนี่ไม่ใช่รู้เลยหลวงพ่อก็อธิบายอย่างนี้ว่าเให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเพ่งกับการรู้หลวงพ่อก็บอกว่า อลองลองลองเพ่งคือมองเนี่ยสายตาเนี่ยมองอะไรทักอย่างมองแบบโฟกัสอ่ะนะเออ <c oughs> เหมือนกับถ่ายรูปเนี่ยเออสมมติว่าเวลาเราถ่ายรูปเห็นหเราจะโฟกัสกล้องแล้วเรา ก, ก็จะเล็ง <c oughs> อ, อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการโฟกัสเป็นการเพ่งนะเพื่อให้มันลงจุดที่เราต้องการไ <c oughs> อ้เพ่งเนี้ยมันไม่ใช่รู้เลยแล้วถ้ารู้คืออะไรรู้คือรู้ว่าเราเพ่ง <c oughs> รู้ว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ย เนี่ยแค่นี้ก็จะแยกได้แล้วระหว่างรู้กับเพ่งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วเวลานักปฏิบัติเนี่ยเวลาดูลมหายใจอะ่ะลองนึกภาพตัวเองนะว่ามันจะมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูลมหายใจไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเรานี้ก็ไม่ใช่รู้แต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้นั่งดูลมเพราะฉะนั้นการดูลมแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของอาณาปณะสติเพราะอาณาปณะสติคือเขาเรียกว่าให้รู้ลม ลมคือเป็นกายอย่างหนึ่งเนาะเป็นสิ่งถูกรู้แต่ตัวจิตหรือตัวสติเนี่ยเป็นตัวระลึกได้แล้วก็เป็นจิตเนี่ยก็คือเป็นนามธรรมแล้วก็ไปรู้ลมแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยเอาตัวเราไปดูเพราะฉะนั้นมันต่างริบลับเลยเรื่องของสติเรื่องของจิตอะ่ะเพราะตัวเรานี่มันเป็นตัวที่สร้างขึ้นมามาเป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ทาหน้าที่ดูลมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มีสติเลย แต่คนก็ปฏิบัติผิดกันเยอะมากเลยเพราะเอาตัวเราไปดูลมแทนที่จะให้มันมีสติให้มีจิตรู้มารู้ลมลโยมดูดิปฏิบัติแบบนี้มันถึงปฏิบัติไม่ถูกไงแล้วก็ยิ่งทำความเพียรเท่าไหร่ถ้ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกเพราะว่ามักเนี่ยการปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้คือต้องปฏิบัติถูกทาความสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกแล้วก็สัมมาสังกัปปะดำริดถูก เรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกที่ถูกในภาษานน้นเขาบอกว่าชอบอ่ะนะทำโดยชอบรู้รู้ชอบรู้ชอบชอบทีนี้ถ้าไม่มีคนมาแก้หรือเราเข้าใจเองว่าถูกเนี่ยมันผิดอยู่เนี่ยมันเป็นถูกไม่ได้อ่อืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยมาต้องต้องคุยครับพอคุยปั๊บเราจะรู้แล้วว่าเออมันผิดตรงไหนอะไรพวกนี้ยแล้วก็จะได้ต่อยอดหลุดตรงนั้นไปอะไรอเงี้ยเพราะหลวงพ่อเนี่ยมันผิดมาเยอะประสบการณ์อนะ่ะได้ การรายานามิตรหลอกถึงได้รู้ว่าผิดแล้วก็เปลี่ยนจากผิดอ น, นั้นก็คืออาจจะไม่ทําถึงทําแต่ก็รู้ว่าทําเห็นไหมมันจะมีตัวรู้ไงเออเมื่อก่อนเพ่งไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพ่งแต่เข้าใจว่ารู้รู้ไม่ต่อเออรู้ต่อเนื่องเลยไม่ขาดสติเลยแต่จริงนะไม่ได้ไม่ได้มีสติหรอกเพราะมวแต่เพ่งอยู่แต่พอตอนหลังมีครูอาจารย์ท่านชี้บอกว่าลักษณะแบบนี้มันเพ่งนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเพ่งก็ให้รู้โอ้โ แค่นี้เลยพอเพ่งปั๊บรู้เลยแหน่เลยรู้จักแล้วว่าไอ้เพ่งก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้เนี่ยก็เป็นสภาพคือตัวสติมารู้ว่าเพ่งค่ะง่ายเลยทีนี้คนไหนก็ทําพฤติกรรมแบบเดิมอ่ะเนี่ยรู้ได้ไหมว่าตอนเนี้ยโฟกัสแล้วถ้ารู้ว่าโฟกัสเนี่ยแสดงว่ารู้แล้วใช่แล้วจะโฟกัสต่อไปก็ไม่เป็นไรเพราะรู้แล้วไงเออค่ะอย่างการเพ่งเนี่ยบางบางเออที่เคยได้ยินเนี่ย มันคือกระสินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่ออย่างเพ่งกระสินก็คือทําให้เป็นสมาธินั่นแหละเพ่งกระสินเพราะว่าการเพ่งเนี่ยคือไปรู้อะไปรู้สิ่งสิ่งเดียวเช่นกสินไฟก็ไปไปดูไฟใช่ไหมกสินลมก็ดูลมดูแค่หนึ่งเดียวพอไม่สนใจอย่างอื่นนะไม่สนใจคพอดูอย่างเนี้ยจิตมันก็รวมคือเป็นสมาธิ นะแต่เป็นสมาธิอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญญาหรอกเผลอๆอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างน้อยเขาเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วหลักแต่ทีนี้พอเป็นสมาธิถ้าสมมตินะเราชอบเพ่งไงรู้สึกว่าเออพอเพ่งทีไรเรารู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเลยเนาะถูกต้องแล้วไงเพราะว่ามันรู้สิ่งเดียวอ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะพัฒนาต่อยอดนะต่อยอดก็ให้รู้ว่าใครล่ะเป็นผู้เพ่งใช่ไหม <Okay. S 2> ก็จะพบได้ว่าเอาก็เรา่าที่เป็นผู้เพ่ง เนี่ยรู้เราเรียบร้อยแล้วเอายอมทำดูเลยยอมลองเพ่งอะไรก็ได้พอเพ่งปับ๊บคือถ้าไม่มีคนบอกเนาะมันจะมีเราเนี่ยโอ้ตั้งหน้าตั้งตาเพ่งลูกเดียวแล้วก็ไปเห็นสิ่งถูกเพ่งเป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่เห็นตัวเราผู้เพง่งแต่นี้ถ้าคนม่บอกว่าเอารู้ตัวเราผู้เพ่งหรือเปล่าโอ้แค่นี้ก็ตื่นรู้แล้วว่าเออใช่ว่าเมื่อกี้เราเพ่งสุดตัวเลยอย่างเนี้ยถ้ากลับรู้ตัวเราแล้วแล้วก็ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เนาะ พอตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วตัวเราก็เลิกเพ่งนี่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีตัวรู้มารู้เราไงเราก็เพ่งต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวรู้มันยันอยู่ไงมันรู้เราอยู่แล้วเ ร, เราจะนั่นเราจะเพ่งลําบากแหละเพราะฉะนั้นก็เลย ห, หลุดการเพ่งมาก็กลายเป็นรู้เราพอรู้เราเสร็จแล้วรู้ว่าเราเนี่ยคือตัวตายไงซึ่หลวงพ่อใช้คําว่าคําว่าตัวตายนิยมเข้าใจได้นะคือตัวที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือเกิดมาต้องเน่าเปื่อยผุพังตายไป ห like anyway, ลวงพ่อก็ใช้คําว่าไอตัวเราเนี่ยไอตัวเพ่งเมื่อกี้ตายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักตัวตายทั้งตัวแล้วเนี่ยเรื่องอะไรต้องไปยึดตัวตายหรอก็แค่แค่ไม่ต้องยึดก็ได้แต่รู้อ่ะมันมันมีตัวรู้เนาะก็เลยได้แต่รู้รู้ว่าไอตัวนี้ตายเนี่ยมันแยกมาแล้วระหว่างตัวตายกับตัวรู้ก็รู้ตัวตายไปเรื่อยแหละว่าเออไอตัวเดินก็ตายอตัวนั่งก็ตายตัวที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้ธรรมะเยอะเๆอยอะะอันนี้ก็ตายไอตัวที่ทําสมาธิเก่งเก่งเกเก่ไอตัวนี้ก็ตายมันมีแต่ตัวตายอ่ะ แล้วเรื่องอะไรต้องไปยึดตัวตายด้วยอ่ะก็เพียงแค่ว่ารู้มันแต่ก็ไม่เอามึงแล้วไม่เอาไม่เอาแค่เนี้ยซึ่งการไม่เอาก็ไม่ใช่ว่าไปทําอะไรนะไม่ใช่ว่าต้องไปปลักไสไล่ตรง่ะไม่เอาคือคือให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีผู้เอาแล้วไงหลวงพ่อยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพก็ได้เนะไม่เอานะก็คือว่าเช่นนะสมมติว่าสาวเห็นหนุ่มเนาะสาวเห็นหนุ่มหนุ่มรอแต่สาวไม่เอาไงหนุ่มรอมันก็หลอกเตือเก้อไปอย่างนั้นแหละหรือว่าสาวสวยเนาะหนุ่มไปเห็นสาวสวย ก็ <S <S ไม่เอาไงให้มันสวยไปเก้อเกอย่างนั้นแหละแค่เนี้ยก็ถือว่าปล่อยวางเรียบร้อยแล้ว <S <S แ, ตแต่ถ้าเอาเป็นไงถ้าเอาคือเอามายึดครองยึดถืออย่างนี้เป็นทุกข์แต่ถ้าเห็นมันเขาจะไปไหนก็เขาสวยก็สวยเราก็รู้ว่าเขาสวยแต่เราไม่เอาไงเราก็ไม่ต้องทุกข์กับใครเพราะว่าเขาจะไปหาใครเขาจะไปไหนเห็นไหมมันไม่ทุกข์เลยไงที่ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ยึดถือเอามาเป็นของตนเพราะฉะนั้นธรรมะก็เหมือนกันแหละเห็นสภาวะธรรม่ะเห็นสุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ย รู้แต่ก็ไม่เอาไม่ครอบครองค่ะเออไม่ครอบครองไม่ยึดถือมาเป็นเจ้าของเมื่อไม่ยึดถือความเป็นเจ้าของเขาไปไหนก็ก็ไม่เป็นไรไม่ห่วงใยไม่อะไรอาวรไงแล้เป็นธรรมชาติที่เขาต้องทาหรือว่ามันต้องเป็นแค่นั้นนี่และตอนนี้มันจะเข้าถึงความอิสระอิสระก็คือว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรอะไรก็ไปของมันอย่างนั้นเห็นไหมมันอิสระไงอิสระคือแบบ แบบอิสระจริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่ไมเป็นภาระอะไรกับอะไรเนี้ยปัญหามันมีตัวนี้แหละคือคือมันแยกออกมาไม่ได้อ่ะเนาะมันแยกเช่นตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ได้ก็เลยมันเข้าไปเป็นตัวใช่เลยแต่ถ้ามันมันแยกเนี่ยเหมือนกับว่าแยกมาเป็นผู้ดูเนี่ยถ้ากับว่าหลุดแล้วหรือว่าแยกมาเป็นผู้เห็นเนี่ยมันหลุดแต่ วิธีการที่จะแยกเนี่ยคือคือไม่รู้จะทํำยังไงไงคนที่ยังแยกไม่เป็นเนาะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ดิ้นเท่าไหร่มันก็แยกไม่เป็นสักทีมันก็ลําบากเหมือนกันแต่ว่าหนทางการแยกก็คือนั่นแหละสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยมันแยกเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างเอาลองเชียหเห็นเป็นเป็นแบบเป็นภาพเลยนะมันแยกสมมติ ว, ว่าคนเรามันมีกายกับมีจิตเนาะอ่าสมมติจิต ในที่นี้หมายถึงจิตคิดนะอแล้วก็กายพวกเรารู้จักเป็นอย่างดีร่างกายกายก็คือร่างกายนะซึ่งมันเดินได้มันนั่งได้มันนอนได้มันยืนได้นี่พูดถึงกายหยาบเนาะทีนี้เวลาเราฝึกสติเนี่ยก็คือตอนแรกอาสมารู้กายก่อนรู้กายเดินรู้กายเคลื่อนไหวนะรู้ไปก่อนว่าเออเนี่ยกายเคลื่อนแล้วแล้วก็เดินไปก็รู้ไปนะรู้ไปคือไม่ใจลอยไงคําว่ารู้คือไม่ใจลอยไม่เหมื่อไปคิดเรื่องอื่นจนลืมตัวเพราะฉะนั้นรู้ว่า เอานั่งดีกว่าในตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะนั่งไม่ใช่เดินเนาะเอพูดเรื่องที่มันมีอยู่อนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ยรู้ได้นะเห็นไหมรู้ได้ว่านั่งต่อให้มันรู้สึกว่าเรารู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ได้ก่อนว่าตัวเราเนี่ยตัวร่างกายมันนั่งอยู่อะเห็นไปเลยนะฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็เห็นไปเลยว่าร่างกายมันนั่งอยู่ซึ่งการรู้การเห็นเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตาดูมันก็รู้ได้อยู่แล้วว่ามีกายอยู่แล้วก็กายนั่งอย่างไรมันก็รู้หมดแหละ กายนั่งตัวแข็งตัวทื่อตัวตรงนั่งปิดตาเนี่ยเนี่ยมันรู้หมดโอเคนี่รู้เรื่องกายแล้วทีนี้พอเรารู้เรื่องกายรู้ไปแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีความคิดเริ่มผุดขึ้นมาเช่นมันอาจจะคิดว่าฮะเดี๋ยวไปไปหุงข้าวสมมติเอ้ยไปทํากับข้าวนะหรือไปซักผ้าเนี่ยตอนเนี้ยความคิดเกิดแล้วแล้วทีนี้ถ้ามันเกิดเห็นความคิดขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าอย่างน้อยก็รู้จักแล้วว่าอ๋อความคิดคือ ลักษณะแบบนี้คือมันพูดได้มันพูดในใจเช่นบอกว่าเออไปซักผ้าไปรีดผ้าเนี่ยมันพูดในใจไงซึ่งจริงๆอะทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะหลวงพ่อว่านะเรื่องความคิดแบบแบบเนี้ยคิดไปทำนู่นเนี่ยก็รู้จักว่าเนี่ยมันคิดหรือบางคนยังรู้จักถึงขนาดว่าโอ้คืนนี้คิดมากนอนไม่หลับเลยนี่แสดงว่าเริ่มรู้จักความคิดแล้วทีนี้เราก็มาเทียบกันสว่าระหว่างนั่งเนี่ยนั่งรู้กายอยู่พอ nang ูกายเสร็จแล้วมันก็มีความคิดผุดขึ้นนะเช่นบอกว่า อ๋อรู้จักกายแล้วรู้จักกายแล้วกายคือคนที่นั่งเนี่ยตอนนี้ความคิดเกิดแล้วก็ก็ไปรู้ว่าคิดถูกไหมทีนี้พอรู้ว่าคิดเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบระหว่างกายกับความคิดเ<ส>พราะมันรู้จักกายมาก่อนแล้วก็ความคิดมารู้ทีหลังแล้วก็รู้จักเปรียบเทียบว่าอ๋อกายมันมีลักษณะแบบนี้แต่ความคิดมันมีลักษณะแบบนั้นกายกับความคิดมันลักษณะไม่เหมือนกันนี่ ตรงนี้ก็แค่รู้แล้วว่ากายกับความคิดเนี่ยคนละตัวกันคนละส่วนกันนะทีนี้ก็ดูกายไปอีกดูกายไปอีกแล้วต่อมาความคิดก็ผุดขึ้นมาอีกก็เห็นอีกนะพอเห็นอีกแต่อย่าไปสนใจความคิดนะเพราะถ้าสนใจความคิดมันจะลืมกายก็ให้กลับรู้กายอยู่อย่างเงี้ยรู้เบาเบารู้เล่นเล่นกายนั่งกายเคลื่อนไหวกายนั่งโยกเยกอยู่ก็อ่ะก็รู้ไปพอรู้ไปเสร็จเอาความคิดก็มาอีกแล้วคิดให้ไปทํางานหรือว่าคิดให้เลิกคิดให้เลิกดูกายมันบอกพอแล้วพอแล้วเงี้ย ก็เห okay sure no so ็นความคิดการที่เห็นซ้ําๆแบบเนี้มันก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดว่ากายกับความคิดเนี่ยคนละตัวกันแล้วก็เราก็จะรู้อย่างน้อยเมื่อรู้กายเนี่ยรู้จักกายแล้วนะว่ากายเป็นอย่างนี้แต่ความคิดเนี่ยมันมีการเกิดซึ่งเห็นได้เร็วกว่าการเกิดการเกิดดับของความคิดเนี่ยมันเห็นได้ดีกว่าที่จะเห็นกายเพราะว่ากายเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดับเลยมันเป็นท่อนเป็นแท่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ยมันเป็นก็ยังเหมือนเดิมประมาณอย่างนี้เนาะ แต่ความคิดเนี่ย อ, อ๋อมันเกิดดับเป็นครั้งเป็นครั้งแล้วก็เกิดเร็วดับเร็วด้วยอืมตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าไอ้ความคิดเนี่ยใช่มันเกิดเร็วดับเร็วแต่กายเนี่ยไม่เห็นความดับเลยอย่างเงี้ยก็เห็นความแตกต่างแหละทีนี้พอเราเห็นตรงนี้มันไม่ใช่เห็นแค่นี้ดิต่อไปมันจะจะรู้จะเห็นมากกว่านี้เช่นอาจจะรู้ถึงในกายเนี่ยมันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยเนาะเอ้าพอความเจ็บความปวดความเมื่อยปรากฏขึ้นเราก็พิจาณาเปรียบเทียบอีกกับกายว่า มันเป็นสิ่งเดียวกันไหมก็จะรู้เลยว่าอตายมันมีลักษณะเป็นท่อนเป็นแท่งนั่งอยู่หรือทรงแบบนั้นรูปทรงแบบนั้นแต่ความเจ็บความปวดมันไม่ได้นั่งนี่มันไม่มีรูปทรงแต่มันเป็นอาการที่อยู่ในกายนี่หลวงพ่อชี้นำนะแล้วก็ก็จะเริ่มเห็นเลยว่าความเจ็บความปวดมันไม่ใช่กายนี่กายมันมันเป็นรูปรูปนั่งแต่ความเจ็บมันไม่ได้เป็นรคหนี่แต่มันมันอยู่ในกายเนอะ เออมันไม่มีท่านั่งแต่มันอยู่ในกายมันแทรกซ้อนอยู่ในกายแต่มันได้แต่รับรู้ว่ามันเป็นความเจ็บแต่หน้าตารูปทรงมันเรามองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ถึงอาการว่ามันเจ็บเพราะฉะนั้นความเจ็บกับกายก็จึงเป็นคนละตัวกันอีกอ่าเอาทีนี้มาพูดถึงไทางด้านจิตใจบ้างพอดูกายเนาะก็ไปเห็นความเจ็บดูกายเห็นความคิดแล้วต่อมามันมีเส้นสุนทรดูไปดูมาเนาะมันเริ่มง่วงแล้ว เรื่องง่วงเหามหนอนแล้วแล้วก็รู้จักไปแล้วว่าโอความง่วงนี่มันเป็นแบบนี้นี่ความง่วงเป็นแบบนี้ความง่วงก็ไม่ใช่ความคิดความง่วงก็ไม่ใช่เป็นกายความง่วงก็ไม่ใช่เป็นความเจ็บโอ้ความง่วงมันก็เป็นอีกสิ่งนึงเห็นไหมก็เริ่มรู้อีกแล้วแล้วก็เข้าใจชัดเลยว่าไอ้ความง่วงแต่ตอนเริ่มปฏิบัติอะมันยังไม่มีเลยแต่ตอนนี้มันปรากฏแล้วมันเกิดแล้วเนี่ยยมดูสิหลวงพ่อแยกแจกแจงมากี่ตัวแล้วเนี่ยสภาวะธรรม แล้วจริงๆมันยังมีมากกว่านี้อีกอ่าแต่ทีนี้ถ้าวิธีรู้ก็คือรู้กายไว้ก่อนเป็นฐานที่ตั้งไว้ก่อนส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องมารอคอยว่าเมื่อไรจะมีรู้กายแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็เรียงหน้ามาให้เห็นพอมันมาเรียงหน้ามากๆแต่ตอนนั้นแหละโยมจะรู้จักเลยว่าอะไรว่าตัวเราเนี่หาความสบายไม่ได้เลยอ่ะตัวกายก็นั่งอยู่ใช่ไหมเป็นรูปไอ้ตัวความเจ็บก็คป็ตัวทุกข์ไอ้ตัวความคิดก็ไอ้ตัวเนี่ยทาให้นอนไม่หลับไอ้ตัววุ่นวายเนาะ ไอ้ตัวง่วงก็เป็นตัวขัดขวางที่จะทำให้เลิกทำความเพียรความง่วงนี่นะมันมันขัดขวางหมดอ่านหนังสือง่วงก็อ่านไม่ได้นะเออจะไปทำงานถ้ามันง่วงก็ทำไม่ได้จะนั่งปฏิบัติธรรมถ้ามันง่วงก็ทำไม่ได้เนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นนิวร์เป็นตัวปวางแต่ก็มันก็มีปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่อ่ะละหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างมาประมาณคร่าวๆอย่างนี้ว่าเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะอย่าเอาแต่นั่งนั่งแบบ ไม่รู้ไม่ชี้นั่งทำเลิมเลอนั่งแบบไม่รับรู้อันนั้นผิดหมดเลยต้องนั่งด้วยการตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยก็คือรู้ไงรู้อย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างตื่นรู้คือเห็นปรากฏการนะเห็นปรากฏการที่มันเกิดอย่างนั้นแล้วก็มันแปรปรวนคือมันไม่เที่ยงอย่างความคิดเนี่ยมันเกิดมันคิดเสร็จมันก็ก็ดับแล้วก็คิดใหม่แล้วก็ดับมันเร็วมากอืมแต่กายเนี่ยเห็นการเกิดดับได้ยากมาก ความเจ็บก็เห็นการเกิดดับก็ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเห็นการเกิดดับได้ดีเพราะว่าเวลามันเจ็บเนี่ยจากไม่เจ็บเป็นเจ็บเจ็บน้อยเจ็บมากแล้วเจ็บเยอะๆเจ็บเยอะๆเจ็บจนชามันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความเจ็บเป็นสภาพเป็นอย่างอื่นจากเจ็บเป็นชาใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็เลยเห็นความเปลี่ยนได้เร็วกว่าการรู้กายความคิดเร็วที่สุด เร็วที่สุดรู้ปล่าไม่รู้แต่เร็วเอาชนิดที่ว่ามันเกิดแล้วดับเลยอะมันไม่ตั้งอยู่เลยอ่แล้วก็ความง่วงอ่าเกิดแล้วอาจจะอยู่นานแต่จริงๆมันเกิดดับเร็วหมดทั้งหมดแหละแต่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็นอ่เอาละพอมาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเห็นสภาวะธรรมแรกๆคนส่วนมากก็ยังเห็นอยู่แค่นี้แหละคือเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเนาะเห็นที่ถูกเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ย้อนกลับมาที่ผู้เห็น ผู้เห็นคืออะไรผู้เห็นก็คือตัวเราไงตัวเราเป็นคนเห็นไงใช่หยแต่จริงอ่ะมันตัวสติหรอกตัวจิตเเป็นผู้เห็นแต่ด้วยความไม่รู้ก็ไปยึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้เห็นกายเราเนี่ยเป็นผู้เห็นจิตคิดเราเนี่ยเป็นผู้เห็นความง่วงเราเนี่ยเป็นผู้เห็นความเจ็บนี่แสดงว่ายึดยึดผู้รู้เรียบร้อยแล้วยึดสติมาเป็นเราเพราะฉะนั้นรู้เราอีกทีหนึ่งว่าอ๋อ ไอ้ที่ผู้รู้เมื่อกี้เนี่ยที่ว่าเรารู้เรารู้เนี่ยที่แท้เนี่ยไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เรียบร้อยแล้วนังออกไม่ถึงจุดเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เรียบร้อยแล้วถูกรู้ด้วยอะไรถูกรู้โดยธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่มันรู้เราอะตรงนี้แหละถ้ารู้เราเมื่อไร่ความเป็นเราก็จะหายไปความเป็นเราก็เป็นแค่อารมณ์เป็นแค่สิ่งถูกรู้ แล้วก็ไม่ยึดถือตัวเราผู้รู้เนี่ยแค่นี้ก็พ้นทุกเรียบร้อยแล้วชที่ไม่ยึดถือตัวเราผู้รู้เพราะอะไรตัวเราผู้รู้มันรู้แล้วมันก็ตายเข้าลงไง <c oughs> ถูกไหมยึด <c oughs> ไม่ได้มันเน่าเปือยเรื่องอะไรต้องยึดตัวเราผู้รู้ยึดไปก็ก็ตายไปกับตัวเราตายกับผู้รู้เพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ไม่ยึดแค่นี้ก็หลุดพ้นเรียบร้อย อันถ้าถ้าช่วงนี้ยังไม่มีคนขึ้นนะหลวงพ่อก็จะจะจะพูดในเรื่องของนักปฏิบัติธรรมนี่แหละเมื่อกี้หลวงพ่อก็ได้ลองยกตัวอย่างเมือนเห็นภาพอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเวลาเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อกี้อยู่ในท่านั่งเนาะอท่นานั่งท่ <c oughs> านั่งก็รู้อยู่ว่ากายนั่งอยู่เห็นไหมมันก็รู้ได้นี่เนาะเออรู้ว่ากายนั่งอยู่แล้วก็พอรู้กายเสร็จแล้วมันก็เริ่มเห็นความคิดนะแยกแยกแยะเขาเรียกว่าแยกขันแยกสภาวะ ว่าสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมีหลายสิ่งแต่หลายสิ่งเนี่ยที่เขาเขาเรียกว่ามันมารวมกันเป็นตัวเราเห็นไหมแต่พอเราแยกย่อยออกมาเนี่ยมันก็เป็นแค่แต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่ตัวเราจริงเรื่องนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มปฏิบัติธรรมเหมือนกันท่านก็พูดถึงเรื่องขันห้เราก็ไม่เข้าใจเรื่องขันห้าคือท่านบอกว่าไ อ, ไอท้ที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะมันประกอบด้วย5้าขันนะ แต่หลวงพ่อก็ถึงแม้ว่าจะแยกแล้วแต่ก็ยังเป็นตัวเราทั้งก้อนอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้เข้าใจตามที่ครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ก็ยกตัวอย่างท่านบอกว่ารถยนต์เนี่ยจริงๆอะรถมันไม่มีอยู่จริงนะท่านบอกว่ารถยนต์ะจริงๆไม่มีอยู่จริงหรอกแต่คนที่เห็นว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยเนื่องจากว่ามันประกอบด้วยอะไรต่างๆมาประกอบกันเข้าจนกระทั่งเป็นรถแต่ทีนี้ถ้าเราแยกอะไรเนี่ยให้มันเป็นชิ้นส่วนนะ เช่นล้อก็แยกไปนะพวงมาลัยก็แยกไปประตูก็แยกไปเบาะก็แยกไปนะโครงสร้างคัดซีต่างๆก็แยกไปนะแยกให้หมดเลยอเมื่อแยกแล้วเนี่ยในแต่ละอย่างต้องแยกซอยลงไปอีกเช่นล้อเนี่ยก็แยกมาเอายางออกเอาขอบล้อไว้ต่างหากแล้วแยกแล้วก็แยกย่อยลงไปอีกท่านก็บอกว่าเห็นไหม่ะพอแยกแบบเนี้รถอยู่ไหนรถไม่มี หลวงพ่อก็เกิดความเออเข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าอ๋อไอ้ที่เขาเรียกว่ารถเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรชิ้นส่วนแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาประกอบกันแล้วก็หน้าตามันก็เป็นรถแต่พอรื้อออกรถก็หายไปพอมารวมใหม่ก็มีรถเพราะฉะนั้นรถจริงๆไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแค่การประกอบกันเพราะฉนั้นร่างกายจิตใจของคนเราก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงเรื่องธาต นะก็ประกอบว่าเขาบอกว่าประกอบด้วยธาตุดินธาตุนะ้ําธาตุไฟธาตุลมนะถ้าส่วนจิตใจก็เอามีวิญญาณนธาตุแต่พอมันธาตุเหล่าเนี้ห้าธาตุหกธาตุเนี่ยมาผสมรวมกันมันก็กลายเป็นรูปทรงแบบที่เราเห็นกันเนี่ยอา่าทีนี้ถ้าธาตุนี้แตกอา้าความเป็นเราก็หายไปอีกแต่พอมันมารวมเอาความเป็นตัวตนเป็นเราความเป็นเราเนี่ยที่เรียกว่าเราก็มาอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยหัดแยกให้เป็นเมื่อแยกเป็นเสร็จแล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยเป็นแค่ประกอบกันด้วยธาตุแล้วธาตุเราก็รู้จักอยู่แล้วเนาะธาตุดินเนี่ยดินน่ะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นของแข็งน่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงเรื่องดินน่ะใครๆก็รู้จักว่าดินไม่ใช่เราเห็นไ้มท่าชี้ไปที่ดินดินเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่น้ําเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ไฟเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ลมเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่ เออก็ไม่ใช่เราไงเพราะฉะนั้นเมื่อมัน ม, นมารวมกันมันก็ไม่ใช่อยู่ดีแหละถูกไหมเออแล้ววิญ ญ, ญาณธาตุเนี่ยวิญญาณเนี่ยที่ทำหน้าที่รับรู้ได้อ่ะเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของคือมันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมแต่เป็นเป็นธาตุวิญญาณวิญญาณธาตุคือทําหน้าที่รับรู้ได้รับรู้ดินรับรู้น้ํารับรู้ไฟรับรู้ลมรับรู้ได้หมดแต่มันก็เป็นธาตุเหมือนกันก็เป็นธาตุตามธรมธรมชาติก็ไม่ใช่เราเหมือนกัน ทีนี้พอมันมารวมกันเนี้ยไอที่มันยึดถือเพราะอะไรอะ่ะเพราะความไม่รู้เข้าใจผิดมาเข้าใจผิดมาตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไร่จนกระทั่งบัดเนี้ยก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าดินน้ําลมไฟเป็นเรานี่ยโยมว่าโงไ่ไหมแบบเนี้ยเขาว่าเขาโง่เขาเรียกว่าวิ ช, ชาแต่ถ้าหายโง่เป็นไงก็รู้แจ้งรู้แจ้งว่าดินน้ําไฟลมเนี่ยที่มารวมกันเป็นตัวตนเนี่ยเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่เราที่แท้จริงนี่เขาเรียกว่าเป็นวิชา แต่วิชาเนี่ยทาไมมันไม่เป็นวิชาเด็ดทีเนาะทั้งๆ ท, งที่พระพุทธเจ้าก็บอกบอกบอกบอกครูบาอาจารย์ก็บอกบอกบอ ก, บอ ก, บอ ก, บอกว่ามันไม่ใช่เราแต่ก็ยังเป็นเราทีนี้ทําไงอะคราวเนี้ยอ่าต้องมาพูดเรื่องขันห้าต้องมาพูดเรื่องสังขารทีนี้นะ<ม>เดิมอะขันห้ามันยังไม่มีแต่ที่มันมีเพราะดินน้ําไฟลมอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุมาผสมกันแต่พอมาผสมปันมันก็แปลงร่างเลย แปลงร่างมาเป็นขันห้ามาเป็นรูปมาเป็นเวทนามาเป็นสัญญามาเป็นสังขารมาเป็นวิญญาณนี่แปลงร่างเลยนะแต่ธาตุก็ยังไม่หายไปไหนธาตุก็ยังเป็นธาตุอยู่แต่พอมันผสมกันมันก็แปลงร่างเป็นขันห้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นขันห้าแต่ละขันรูปก็คือดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พวกนี้อยู่ในกลุ่มของวิญญาณธาตุทั้งหมดแต่ยังมีอวิชาผสมอยู่ พอเป็นอย่างเงี้ยเนื่องจากอาวิชชาเนี่ยที่มันติดมากับวิญญาณธาตุเนี่ยมันผสมอยู่มันก็มั่วมั่วคืออะไรไปหลงยึดรูปมาเป็นเป็นตัวตนไปหลงยึดเวทนามาเป็นตัวตนไปหลงยึดสัญญามาเป็นตัวตนไปหลงยึดสังขารมาเป็นตัวตนรวมถึงยึดวิญญาณขันเนี่ยที่รับรู้ทางหูตาจมูกกายใจมาเป็นตนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอวิชชาที่ติดมากับวิญญาณธาตุ ทีนี้ถ้าเกิดมาที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะที่มีห้าขันเนี่ยไม่เรียนธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ไม่พัฒนาจิตไม่อบรมจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะวชาหายไปเนี่ยให้เป็นวิชาเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาเรียนกันเนี่ยเนี่ยที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยโอกาสดีที่สุดแล้วเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยถ้าคนไม่เรียนก็เรียกว่าเสียชาติเกิดเนาะก็ขันห้าแตกดับไปก็ด้วยความยึดมั่นก็ไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรอีกเกิดเป็นคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดยากมาก เพราะนั้นโอกาสที่จะไปลงเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนาะมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เข้าใจมันก็ต้องไปตามพบนั้นแหละแต่ทีนี้ตอนเนี้มันเกิดมาเป็นคนเนี่ยต้องศึกษาเรื่องนี้ศึกษายังไงเราก็ศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าบอกทางอะเนาะเช่นเริ่มต้นจากสุวรรคต้องเป็นผู้มีศีล น, นะมีศีลก็พวกเราก็เข้าใจเราเป็นผู้มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาซึ่งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ดนี่แหละ รว ม, มแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาก็คือในอริยมรรคมีองคก็ดําเนินไปตามนั้นดําเนินไปตามนั้นก็ทีนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องปัญญานี่แหละอันนั้นก็ยกให้เป็นคนอื่นที่ก็พูดเรื่องศีลเรื่องเรื่องสมาธิไปเรื่องปัญญาก็คือขุดสติตัวเดียวก็สามารถที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้แล้วปัญญาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกอยู่ทุกวันเนี่ยว่าสภาวะธรรมที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเมื่อกี้ะนะว่านั่งดูอยู่ว่าเออรูปนั่งอยู่เห็นรูปไปก่อน แล้วก็ต่อมาเริ่มเห็นความคิดแล้วก็เริ่มเห็นความปวดเริ่มเห็นความง่วงเริ่มเห็นอาการต่างๆเนี่ยตอนนี้กําลังแยกและกลําลังแยกย่อยแล้วถลุงแล้วถลุงก็คือว่าให้เห็นว่าแต่และอย่างเนี่ยมันเป็นเราได้ไหมเป็นคนได้ไหมเช่นสมมติเราเห็นรูปอย่างเดียวรูปนั่งอย่างเดียวเนี่ยเจพาะรูปนะมันเป็นคนได้ไหมอ่ะเป็นไม่ได้ดิเพราะว่าคนเนี่ยมันต้องครบห้าห้าขันเนาะต้องห้าอย่างมาถึงเรียกว่าเป็นคน เพราะฉะนั้นแค่รูปอย่างเดียวมันก็ยังเป็นคนไม่ได้แค่ความคิดอย่างเดียวก็เป็นคนไม่ได้แค่ความเจ็บอย่างเดียวก็เป็นคนไม่ได้แค่ความง่วงหรืออะไรต่างๆที่มันปรากฏแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เป็นคนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงมีแค่แต่ละอย่างแต่ละอย่างพอรู้ว่าคนไม่มีอยู่จริงอ่ามารวมถึงตัวนี้ด้วยไอ้ตัวที่นั่งพิจารณาอยู่เนี่ยไอ้ตัวที่นั่งดู ดูรูปดูเวทนาะดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณอยู่เนี่ยไอตัวนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นทําเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันมันก็ไม่ใช่คนแต่จริงมันไม่ใช่คนอยู่แล้วแหละมันเป็นเรื่องของวิญญาณเนาะวิญญาณที่มีสติก็ตามเห็นอยู่ว่าเอออะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่แต่เรายังไปยึดถือไอตัวดูตัวรู้ตัวเห็นว่าเป็นเราแต่แท้จริงมันก็ไม่ใช่เร า, ม, ม, เรามันก็เป็นสภาะวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดดับเหมือนกันรวมแล้วไอ้จริงถูกรู้ก็ไม่ใช่เรา ไอ้ผู้รู้ก็มไม่ใช่เรามันไม่มีเราหรอกมันเหลือแต่แค่ความเห็นผิดแต่ทีนี้จะทํายังไงให้เห็นถูกก้อนนี้ไงพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแคามม่เนีมม้ยก็เห็นถูกแล้วมไงเออยังเห็นผิดตรงไหนยังเห็นผิดตรงไหนหล่ะในเมื่อบอกบอกอยุดเนี่ยบอกอยู่ต่อปัจจุบันนี้ก็ยังบอกอยู่ว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราก็กลังบอกคนเนี้ยแล้วยังทำไมยังว่ายังเป็นเราอยู่อีกอะเออ ตรงนี้ยมันแต่ว่ายังไงเนาะพระพุทธเ้าก็ยัยยงยังสอนคนที่จะให้รู้แจ้งในธรรมได้ไม่หมดอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะที่เขาบอกว่าท่านบอกว่าบัวสามเหล่าหรือสี่เหล่านี่แหละเออก็เป็นธรรมดาแต่เอาเหอะมันก็พูดยากกันเนาะไอ้คนเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเนาะก็ก็เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันไ อ, อ้นี่พูดปเป็นบุคลาธิฐานนะเออของไข่ของมันใครช่วยใครกันไม่ได้ นะหลวงพ่อช่วยก็ไม่ได้ต่อให้ถึงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านก็ช่วยใครไม่ได้มีแต่ท่านได้แต่บอกแค่นั้นแหละแล้วก็ก็ไปศึกษาเรียนรู้เอาเองนะจริงๆอะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องกรรมอยู่ว่าใครทํากรรมอันใดไว้คนนั้นเออใครทํากรรมอันใดไว้คนนั้นก็ต้องรับกรรมเองอันนี้ก็พูดเป็นบุคลาธิฐานนะเป็นคนเนาะเออใครทําคําชั่วก็รับเอง ทำกรรมดีก็รับเอาเองนะกรรมเป็นเผาพันธ์กรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมก็มีจริงเพราะว่าท่านพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเพราะงั้นพวกเรานี่นะให้ให้เพียรเขาเรียกว่าปฏิบัติทํากรรมดีไว้ก่อนเพราะว่ากรรมดีเนี่ยมันให้ผลในทางเป็นกุศลคือมันดีกว่ากรรมชั่วแต่ถ้าทํากรรมชั่วพูดดีพูดเอ่อการกระทำชั่วชัวทั้งหลายพวกนี้ต้องมีสติรู้เท่าทันอย่าไปทําเพราะอเหมือนให้ผลแล้วเนี่ยมันต้องรับ พอรับแล้วเนี่ยโฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจหรือมันต้องไม่รู้ยังไงก็เกิดเป็นวัฏฏะสงสารอีกนานนะแต่ถ้าผู้ทํากรรมดีมันก็ให้ผลดีก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวมากบางเราบางทีเราก็ประมาทนอนนึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนีน้เวลามันให้ผลและรับไม่ไหวรับไม่ไหวเช่นสมมติว่า เราก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันชาตินี้อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกับเขาแต่ทีนี้กรรมเราอ่ะมันมากกว่าดิทํามามากกว่าเขาฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจใช่ไหมอะไรก็ไม่เข้าใจกรรมมันบังไนเพราะนั้นก็ของใครของมันนนแต่ไม่เป็นไรอดีตก็แล้วไปเริ่มใหม่ก็คือมีสติแล้วก็ไม่ทํากรรมชั่วทําแต่กรรมดีโดยเฉพาะกรรมมาฐานทําเยอะๆเนี่ยเรื่องความว่างเนี่ยคนก็เข้าใจผิดกันเยอะหลวงพ่อยกตัวอย่างนะ เอาสมมว่าทำสมาธิเนี่ยคนทำสมาธิเยอะพอทำสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยกำหนดอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมมันก็ไม่คิดไม่นึกสิกแล้วก็มันจะมันจะมีความสุขแล้วก็มันจะว่างว่างก็คือว่าโอ้โหก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นเนาะแล้วก็ไปเข้าใจว่าตรงนั้นแหละเป็นว่างว่างที่เป็นว่างที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเข้าใจอะเข้าใจว่าว่างแบบเนี้ยคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วคือนิพพานแล้วอะไม่ใช่เลย ว่างอันนี้ยังเป็นแค่สิ่งถูกรู้นะหมายความว่าอย่างอื่นมันไม่มารบกวนนะแล้วก็มันก็ทําให้เป็นความส ง, งบแล้วก็รู้สึกว่าว่างแต่จริงอันนี้ยังเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่เลยนะต่อให้เข้าชานใช่ไหมชานสชานห้าหกเจ็ดเนี่ยพวกนี้มันเป็นอรูปไปชานมันก็ยังเป็นสังขารปรุงแตง่งมันยังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ชานนี้ก็เสื่อมแล้วก็หมดมันไม่ใช่นิพพานหรอกบางคนเข้าใจผิดเยอะ ทีนี้ถ้านิพพานเนี่ยหรือว่าความว่างจริงเนี่ยทุกอย่างมีครบหมดแล้วแต่อะไรที่มันปรากฏ่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครไปยึดถือเ็เรียกว่าว่างว่างจากการยึดถือไม่มีผู้ยึดถือก็คือไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วก็เมื่อไม่มีไม่มีใครยึดถือเนี่ยทุกอย่างก็เต็มโลกไปหมดแต่ก็ว่างเหตุว่าว่างเพราะว่างจากตัวตนว่างจากการยึดถือว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาคือคือมันไม่มีสิ่งพวกนั้นก็ ไอสิ่งที่ปรากฏมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเนี่ยถ้าพูดถึงในร่างกายตัวเองนะความเจ็บความปวดก็มีเต็มไปหมดเลยแต่ว่างว่างคือไม่มีใครยึดถือยึดถื อ, ถอความเจ็บปวดอาการในจิตมีความรู้สึกมีความคิดมีความนึกมีอาการต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครยึดอาการเหล่านั้นอย่างนี้ถึงเรียกว่าว่างจริงพูดไม่ใจแบบนี้มั น, นยังาง เนี่ยถ้าเปลี่ยนความเข้าใจผิดเสียบางคนถ้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยมันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ผิดแล้วผิดอีกข้ามภพข้ามชาติเนาะก็เลยเข้าถึงไม่ได้เรื่องเนี้ยจึงจึ ง, งมานึกถึงกาลยาณมิตรอีกแหละว่าเ๋อะออต้องให้ผู้รู้ที่เขาผ่านประสบการณ์เนี่ยรู้จริงเนี่ยเขาจะมาบอกว่าอันนั้นยังไม่ใช่นะจะได้เออจะได้พิจารณาใหม่จะได้เออเปลี่ยนเสียแต่ถึงมันว่างก็ยังยึดไม่ได้อยู่ดี ต่อให้เข้าวชานก็ยังยึดไม่ได้เข้าวสามาบัติก็ยึดไม่ได้ต่อให้พบนิพพานแล้วก็ยังยึดไม่ได้ อ, าอ่าโยมเพราะมันไม่มีผู้ยึดไงยิ่งนิพพานเนี่ยคือมันเป็นความไม่มีผู้ยึดเลยถึงจะเป็นนิพพานจริงคือไม่มีผู้ยึดแต่ถ้าไปพบนิพพานแล้วพบบร ม, มสุขที่โยมเข้าใจแล้วก็ไปยึดว่าเอ้ยเราถึงนิพพานแล้วเราได้นิพพานแล้วไม่มีทางจะถึงนิพพานเพราะยังมีเราตัวเป้งเลย <c oughs>